Book 2 61 61อ็ด s e ลำดับเลข ordenstal เดือนแรกคือเดือนมกราคมเดนเฟิร์สต์มอนด์อันอาริออเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Den andre m å n d e เดื februar. มเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมเดือนที่สามคือเดือนมีนเดือนที่สคือเดือนเมษายนที่สามคื e m ด n อนมีนาคมเดเดือนที่สคือเดือนาคือาคเดือนมีนาาคม เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนอ์มายนหกเดือนคือครีเนคครึ่หกองปีกเดืนคือครึ่งปีนคือครีนคือครึ่งปีหกเดือนคือครึ่งปีหกนคื April, m ม i o ุ Juni เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม d e n ที่สิ e สองของสัปดาห์เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม den องสัปดา u ์คเดือนเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายนวดยบ เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมเดือนที่สิบสองเดือนคือหนึ่งปี 12 m å n เ d e r ์ r 1 år กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนกรกฎาคมพฤศจ e กายนและตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมตุและธันวาคม